การคือธรรมของผู้ไม่ประมาทธรรมสติเพราะเป็นฆรมัชฌะ บรรพสัพพสัมมัตตะเกิดถูกต้องสัจธรรมเกิดที่ตะสัตติสัมปชัญญะ เป็นโภชมพวนด้วยสติชมพวนเกษมปัญญะผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมเจริญตกเมื่อ ทรงอนุโมทนาเครื่องสรรเสริญซึ่งนนรับบริยงที่พุทธานุสติควรธรรมานุสติ ควรระลึกถึงคุณของประกรรมครั้งกานุสติควรระลึกถึงคุณของ หันอดอมหันตรัสเสมหันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่น จักเกเล็กทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะกระเด็ดไป พระธรรมกถังกล่าวลงให้ทันโดยแก่สาวก เป็นผู้ที่อันจะมีดวงตาเห็น เป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเป็นใหญ่ยอธรรมธรรมที่ ควรแก่ธรรมปฏิบัติกันเพื่อบรรลุจริยธรรมจึงจะ ควรแก่การปราบการไหว้การถวายทักษิณาจารเทวาประสงค์เป็นเนื้อนา บรรพชิตเทศานทั้งหลายการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญ ไตรพระพุทธศาสนาทานั้นดีอยู่ทรงตรัสว่าภามิตรโดยการเจริญ สติการเจริญสติโดยการ พระองค์ทรงจักรวาทีแล้วข้างทั้งหลายที่พยายามให้ วิริยังหารับภติประรบความเพียรอยู่สม่ำเสมอปหานะ ปรารภพรเปลี่ยนประคองใจตั้งไว้ในตรงภาวนาประทานเขียน จากุศลภาวนาอนุคระภาคานเพียรพยายามรักษากุศลที่เกิด วิริยังอารัปปติปรารภความเพียรอยู่ทะมังเสมอจิตตังปคันนติ เธอจงเป็นมหาอัตติปัสสานพระองค์ทรงทรัทว่า ความความครวญคราครวญร่ำร้องไห้ความ ไกลการเจริญมหาสติปัฏฐานฐีมหาสติปัฏฐานฐีมี องค์สติ 4 ประการพระพุทธเจ้าๆอยู่มีความเพียรมี เป็นรายในโลกใครเพ่งนาดไปเพชรโสในพระธรรมใด ไสลบใครเพียรหนอไปพิษโสในพระธรรมนี้ไหน อันลายความบินดีความบินรายในโลกให้ ความจริงใดในโลกใครเพ่งฆ่า ตระตมากังสติไว้ให้มันวินัยยะโลกะอภิจฉา เวทนาจิตและธรรมสังขวาจยนกายในเวทนาด้วยจิตในจิตกังในธรรมให้ ทั้งนั้นให้เป็นไปตามลําดับไปไปตามขั้นตอน อารัญญกะโตวาลกะโตวาปุณยาคาระกะโตวาคือป่าไม้คนไม้เรือนวังสถาน สถานที่อันสงบวิเวกในอากาศอันบริสุทธิ์ๆเมื่อได้สถานที่เป็น คือถูกต้องคือนิธิฐานะอลังกังคือนัง สงบกายสงบวาจาที่เป็นศีลอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้า พังเจริญอานาปานสติคือเจริญลมหายใจให้ รำรงสติปัจจุบันกำจิตให้วางโซสะโตอัตตะสติสติหายใจ พวกเธอย่อมรู้ว่าหายใจเข้าโซ่สรโคปัสคะติ พระองค์ก็ให้มีกติคือเราลึกลมหายใจเข้า จักกว้างสมบัติทั้งหลาย ของสิทธิ์เป็นประจำทุกวันวันละหลายมื้อแต่ไม่ได้หายอาหารของจิตจิต ความเป็นอิ่มของศีลไม่มีส่วนใดของร่างกายที่ความ ไรราปิติอย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะทราบชัดกันธิกาปิติกันธิกาปิติโอ ฟังเอมกายเอมใจของผู้เจริญ 3 วันหน้าวัน 7 วันดียิ่งกว่าอาหารโดยไม่ กายสุขใจไม่มีศพใดที่จะ เนกขะกันตะสัญญะเราไว้สุกด้วยอบรมขัจจิสังปชัญญะให้ ราดสายาอาฆาติไม่มีฉันตาคาติลังเอียงโทษรักไม่มีโทสะกาติลังเอียงโทษ หายใจเข้ายาวกลางรวยตลอดสายที่ ว่าหายใจเข้ายาวคติตามระลึกตั้ง หายใจออกยาวให้รู้ แต่ละครั้งเราต้องตั้งจิตณทิศกาล การกายในกายเพื่อการ ฮ unions are assumed and i was to think ให้รู้ชัทภาหัวใจข้าวทร palace รัชว์วาพัศษาสั sava to รัชังพัศสามีทิ vocana d what kind of man. utSo ทร lou лab 1ет., Howard � us fromū t Hern a ku niส buscar ไม่ต้องบริกรรมต้องบริกรรมเพราะลมหายใจเข้าสั่นออกสั่น ค่อยรู้ก็ทุกข์ก็ให้รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เอาให้รู้จักกาย ของทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ กายาปฏิสังเวทีอัสสสสันนิเอติจิตปฏิเธอย่อม กายะปฏิสังเวทีปัสสัททิขะณีติสิกติเตย่อมมีสติสัมปชัญญะเพื่อรู้กายทั้งปวงรู้กายทั้งหมดว่าโครงครั้ง เมื่ออัมมิติสัมปชัญญะบริบูรณ์ไส้แห่งกายคือกายและในกายถูก จะเป็นสุภะกรรมฐานหรืออสุภกรรมฐาน ตังปยังกายสังขารังอัตถะเสทฺธานิติธิกคติยอมมีระติ อายะสังขารังปัคคสิสสามิติสิกขติยามกำหนดรูปะกายสังปวงหมายใจออกนี่คือพิจารณากายโดยครุภกรรมฐานและ สังขปะและอรูปกรรมฐานจึงจะเกิดวิปัสสนาญาณ เป็นภายในส่วน 1 เปพิจนากายในกายเป็นภายนอกส่วน 1 พิจนากายทั้งภายทั้งภายนอกพร้อมกันมีแบ่งเป็นกายนอกให้ จึงจะเห็นกายในกายครึ่งเป็นพันอัน เป็นธรรมดาความเกิดขึ้นในกายบาง เป็นธรรมราในร่างกายมีรูปกันอยู่ในยันต์รูปอยู่ เป็นปรมาตของรูปขันธ์รูปขันธ์ยืนได้ยานรูป ครบนั้นไม่ใช่ตัวตนนี่แห่งเอียดของกายส่วน ของรูปนามรูปนามความเสื่อมหรือความดับของรูปนาม เพชฌานาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธัมมะกาทั้งเป็นอนัตตาเป็นยาน ธ blandทัne ska นันพระเจิดอบป่าทัยนัว vaanGet that อบป่าทัยย mau ท Thanksgiving นัว sim- นัก muitos yas เฮ้นความเกิดธิธิยาณ aim- ความทั้งอยู่ปังไกล 겁니다 wheels บ ville x3 บาทey ได้ถึง 20 ชั้นจากที่เรา พรมีในเราเรามีในรูปตระเวนธนาบางระไวยอารมณ์เวทนาเวทนามีในเราธรรมมีในเวทนา ว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นเรา เรเรามีวิญญาณธาตุรู้อันพิเศษเกิดต่างๆหูจมูก โยสาติสัมปชัญญะอันประเสริฐเบื้องต้นเราทุกท่าน ตัวสัมปชัญญะนั้นเป็นญาณที่พระพุทธเจ้าองค์ สติแค่สักว่าอาศัยระลึกเมื่อก่อน คือเป็นประจํากายแต่สักว่ากายไม่ใช่ตัวตน แม้มีทิฏฐิปราศจากตัณหาปราศจากทิฏฐิปราศจากความยึดมั่นความถือมั่นพระองค์ตรัสว่าพวกเธอจะไม่เข้า อย่างนี้เป็นการพิจารณาเห็นกายใจกายเป็น เพื่อก้าวล่วงความเศร้าโศกความร้องไห้ความทุกข์ Rama Sankappa Dambri Shob. Rama Vajja De Raja Shob. Sama Kamanta Vamliang Kankatam Kanan Shob. Rama Vayama Liang Sivik Shob. Rama Satti Vamraluk Shob. Rama วางตั้งจิตเอาไปสอบนี่เป็น วิญญาณยังโรในเหตุใครเกิดทุกข์ ธรรมะสังคัปปะเป็นอย่างไรออกจากการ สัมมาวาจาเจรจาชอบเป็นอย่างไรละสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร สัมมาชีพที่พระอริยเจ้าท่านธรรมระเถรมิจฉามิจฉาชีพเป็นอย่างไรคือการ <cera> เออเป็นมิจฉาชีพกรรมวาหยามเป็นอย่างไรปริญาณเห็นกายในกายเห็นเวทนา ปรากฏรายฐานทั้ง 4 ตั้งชาติไว้ให้มันในฐานกาย วิจารมีปิติและทุกข์ก็แต่วิเวกอยู่โฏฐิยฌานละวิตกละ ครั้งปัญญะเท่าไว้สุขได้นามกายเพราะปิติสิ้นอบรม สติครั้งปัญญะให้บริสุทธิ์เครื่องเป็นบาทของวิปัสสนาญาณผู้ได้ เพราะจักโกติดติๆเป็นอันมากเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนามี ไพบังเกิดนี่คือปฐมสมาธิวายัมติปริยาม ไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งต้องประรอบฟังเพียร หาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ปรองดเปรียงตรงไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ทางนี้เป็น คือเป็นธรรมของผู้ไม่ประมาทธรรมของผู้รู้ธรรมของ เห็นธรรมในฐานจิตเห็นธรรมในฐานตันที่ แห่งความดับทุกข์ทุกข์การใครทุกท่านจงเจริญสติขอภุมิสติ ทั้งเหล่านั้นนับว่ายิ่งที่สุดประเสริฐ Hèo vokt me. Dat je